ให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เมือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลลองลอยไปวนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึงฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภา สุดคอฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สุขตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ่อรำพึงรำพันถึงแม่รุนน้องแก้มน้องงามนักนแดงกว่าใครใจพี่จมแทเพรอสุธา ดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตาดุจดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดเข้าใจผิดไปถึง ฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภรสุดขอฟ้าหูใจพี่จะไปถึงได้สุดตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบหยุดรึง เพิ่มพึ่งดำคั่นที่แม่นุนน้องแก้มน้องงามนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแท้พสัสธนาดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตาหรดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง ดูใจพี่ลอยล่องไปบนละาัาสุดขอฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพลําคพึงรำพันพี่แม่รูกน้อง แก่ตาดุดดุรรารุ่งดารุ่งไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน็ไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไป you mm -hmm. Oh mm -hmm.